นี่ข้อที่เจ็ดนะครั บ, รบที่สู่รูปใดแสดงคำแก่มาจุขามเกินห <6, S 1> ้าหกคำบทบาลียกเว้น <5. S 1> มีบุรุษที่รู้เดียงสาอยู่ด้วยต้ อ, อบัตรปาจิตีถ้าถูกถามตอบได้ไม่จำกัดคางนี้ธรรมะก็คือเหมือนกับข้อที่อะไรนะปะทัศโสธมัสิิขาบท น, นะครับ ข้อดิสซอนทำการมาสัมบังโดยบทน่าเหมือนกันภาคใตประโยคสกฐาเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยไม่ได้นะคำว่าเหมือนกันอ่ะเฉพาะภาษาบาลีเหมือนกันนะครับภาษาไทยนี้ก็ไม่เอาคําว่าห้าหกคำวันที่นี่หมายถึงถ้าเป็นบาตรคาถานะครับก็หมายถึงห้าหกบาทคือหกบาทนะคาถาส่วนใหญ่จะมีหนึ่งคาถามีสี่บาทนะครับแต่บางคถามีหกบาทเกามีนะเขายกเลิกทำง่ายดี ครับครับที่เจอมากแล้วไปจะเอาพิวาครับตั้งแต่ไปเอาพิวาไปได้สี่บาทอภิวาไปได้สี่บาทครับนี่นะไล่จากอภิวาธ ร, รรมนัสสนิสระหนึ่งบาทนิจังทรนปรจานยินโน่สองบาทจะ ต, ตาธรรมาวัฒนติสามบาทอายุวโนสุ ข, ขงังพรมสี่บาทสี่บาท ก, ก็ยังไม่ต้องนะครับยังได้อีกอสองบาทครับในสองบาทนะออันนี้วิธีนี้ทําไงถ้ามผู้หญิงมา เราบอกโยมอาตมาจะให้พรแกโยมคนละคาานนะเนี่ยเมื่อคนลนะัคาาใช่ไหมครับมันก็ได้ตั้งอะไรสี่พูดไปเนี่ยสี่แสนสิบสองใช่ไสิบสองบาทอะไรนะครับในนี้นะก็ต้องบอกแค่อย่างนี้เลยครับนึ่งคือวิธีเรียกนะครับอีกอย่างก็ยังไงนะให้เขาถามปัญหาลราก่อนถ้ามีการแสดงธรรมนะท้าไปถ า, ปถาแบบกว้างๆอะไรก็ได้เอ้าโยมอยากจะรู้เนื้อหาสารพะพระอภิธรรมมันเป็นยังไงเขาถามนะ เรายกพระธรรมพระพิธมประดยมาทั้งหมดเลยนะครับอธิบายไปเลยว่าไปเลยนะไปเลยว่าถ้าถูกถามเนี่ยตอบได้ไม่จกัดยอมาทังถ้าเขาถามทั้งนิการเลยทีข้า่น้การมีเนื้อความว่ายังไรนี่นะแล้วก็โยกมาเลยนะครันปัญหาถามกว้างๆเดี้อตอบได้หมดเลยแต่ท่าคนยากอ่าก็เียวบอกว่าอย่างของขวัญนี้ก็ได้อ๋ออันนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้มจะมีการถา มันขออนะไรเฉยอันาเขาอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงก็ทําวิไหนเขาต้องการรู้ใช่ไหมครับอันนี้ขอพอนี้ไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าขอพรนี้นะการให้สินให้พอนี้ก็ไม่ได้นะให้สินให้เสรานะคมเนี่ย<ม>ก็อยู่ในพระใจประโยชกระถาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละไม่ได้เลยนะครับคืออย่าให้เกินก็แล้วกันนะถ้าเป็นกระถางอะไรเขาหนึ่งบาทนี่เป็นหนึ่งคำแต่ถ้ามันได้เป็นกระถางนะครับน่าเป็นบทๆอะไรนะครับอย่างเช่อะไรเนะี่ย พุทธทางใช่ไหมสันังคาฉามิพุทธทางจัตว์พระเนี่ยพุทธังเนี่ยอันยายเป็นบทเรีรนเพุทธทางในบทหนึ่งนะสันนังนี่ก็บทที่สองนะครับคาฉามิก็สามบทนะครับอันนี้นะก็เประภาาบาลีเลยนะครับแต่ละบทตรนบทนะพุทธทางสันนังคาฉามิสัตวใช่ไหมคํามันสัานังคาฉามิหกหมดแล้ว ให้ได้แค่นี้แหละโยให้เยอะกว่า น, นี้ไม่ได้แล้วท<ช>ี่เหลือยไปว่าไองนะว่าเองก็แล้วกันแล้ววัดวัดมันนอเขาจะขึ้นอ่างนี้ก่อ น, นออเป็นจารดาผมครผู้เสร็จพอยอยู่บทต่าแล้วก็ไอไอโมรับีนาโยรับข้าวข้าวหมดนั่นไหละค่ะอย่างนี้ไหนทำไม่ได้อะไรนะ<ม>ถ้ามีบุรุษผู้เดียวสาอย่ไม่เป็นไรทำมีอุบาส่งอยู่ด้วยหรือว่ามีพระ มีแนวน่เป็นเพื่อนอยู่ด้วยไม่เป็นไรนี่นะถ้าให้มั่นใจที่สุดก็คือเอาผุพูผู้นิสารมันอยู่เป็นเพื่อนสบายที่สุดถึงมันเรี่ยงจริไม่ได้จริงคือให้เขาถามปัญหา่้หญิงเนี่ยทั้งหมดเกิติดเนี่ยเราจะให้ติด้ก่อนนใช่ไม่ได้ครับผู้หญิงเนี่ยการอาบัตไม่ได้เลยครับเป็นผู้ชายท่านั้น ญญาาการรักษาการเกิดเกิหน้าเขาจะราคนนั่นก็ส่วนหญ่ผู้หญิงด้วยนะ<อ>ที่มาถือสื่อนี่ครับฟังทํานึ่งก็จะเป็นผู้หญิงด้วยครับ <c oughs> ผู้ชายถ้อนเราจะว่าว่าให้เขาต่างได้ไม่ได้นานานเป็นการขอสื่อเฉ่ <c oughs> ต้องหมอโยมต้องว่าเองนะหรือไงก็ต้องหาใครเพื่อนให้หน้าตะคนหนนะครับอุบาสรู้ว่าเนรและลุก ชอบใช้ที่อื่อัว น, นี้นะครับลูกไก่ตัอืมลูกไก่ตัวจริงแคน่นี้นะเชื่อไหมครับผมกท า, านนะอ้าวก็ดมีแต่โยมบาซิกามาทำํำไงดีเราก็ให้พ อ, อนภาษาไทยไปเลยเรื่องนี่ผมบอกนะครับนั่นแหละทอะไรนะครับให้เป็นยังไงนะขอความปรารถนาอ่าขอ พลานาป็นายท่นปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสําเร็จโดยพลันขอความสวัสดีทั้งปวงจงมีแก่ท่านขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านเนด้วยนักพายพระสนานตรายขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านลังหลายจงมีแก่ท่านในการทั่วมเทเธอครับให้ภาษาไทยมาเลยอันนี้ตัวนี้ข้าวเหนีย <c oughs> <c oughs> มาบาลเดยถ้ามาสองคนส่ยห่ผู้หญิงจะไม่ค่อยมาคนเดียวนะใช่ไหมครับจะไมเพื่อนเออนะครับเรียง น, น, นะซึ <c oughs> ่งแค่พระบาลีอนะ่ะ <c oughs> ก็เรียกไปนครับ <c oughs> หรือบอกะให้คนละคาันแล้วกันนะคนละคาถาอะไปนะครับอันนี้แค่แคนี้มนีนนนะมน้นี้มาดูตน้นไม้ใหญ่ว่ามาจากใครมาจากเ่าทานีนะครับ พูดไทยีเกี่ย ว, วยกับผู้หญเงี่ยอะนะแกมีอะครับอะไรที่ไม่ค่อยดีนะ ม, ออมาดูเรื่องพูธาทยีนะครับโดยสมัยนั้นพระพา พ, พระเจ้าประทําอยู่ณพระเสจตะวันอารามของนาำทามวิกาข้าบดีเขมพนนครสาวถี ครั้งนั้นท่านพระ อ, อุทายีเป็นภาคสูรประกาศเนี่ยนะพิสุผู้เข้าถึงตสกุลด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะว่าแกรู้จักประดิษฐานทักทายอะไรกับโยมดีนะคนก็ชอบนะครับอันนี้เข้าไปสิงสกุลไปอันมากครั้งหนึ่งเวลาเช้าท่านพระ อ, อุทายีครองตะล้าวศก้อนนุ่งสวงของจีวอนนะถือบาส น, นะครับเข้าไปสิงสกุลแห่งหนึ่งนในสกุลนั้นก็จะมีหญิงแม่เลี้ยงนะครับ แล้วก็หญิงสะพ้ายนะก็มีแม่บ้านแล้วก็ลูกสะพ้ายใช่ไหมครับอยู่ด้วยกันนะเวลานั้นหญิงแม่เรือนนั่งอยู่ที่ประตูเรือนนะครับหญิงสะพ้ายนั่งในเรือนนะครับนั่งอยู่ที่ประตูห้องนอกนะจึงท่านผ่าทางยีนะ่ะเดินผ่านไปทางญ ง, งแม่เรืนอนก่อนเพราะมันต้องถือก่อนใช่ไหมและก็แสดงคำณัฐนะที่ใกล้หูแสดงคำแบบซุบซิ่ซุบซิบนะแบบเบาเบาเบาเบานะครับนับบบ่นะนะ นะคขนาดนั้นหญิงสมภัยที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมประตูเรือน่ะก็เกิดความสงสัยเอเนี่ยพระสมณะนั้นเป็นชายชีวของแม่ขัวหรือว่าพูดเกี้ยวแม่ขัวเราก็แน่น่ะอะไรยังชุบชื้นชุบซีดนะครับพอแสดงคำกับหญิงแม่บ้านเสร็จแล้วนะก็เลยบันทางหญิงสมภัยนะครับและแสดงคำกับหญิงสมภัยชุบชื้นอ่งเหมือนกันนะครับชุบชื้นชุบซีดเงี้นะหญิงแม่ีนก็สงสัยมเหมือนกันเลยนะครับว่า พระสมณะนั้นเป็นชายชู้อของหญิงสะพ้ายในเรือนหรือพูดเกี้ยวนะครับ <c oughs> ทีนี้เมื่อท่านพระอุทยแสดงธรรมหญิงสะพ้ายแล้วก็กลับไปแล้วนะหญิงแม่เรืยนก็ได้ถามหญิงสะพ้าขึ้นมาเลยนะครับว่านี่นาะงหนูภระสมณะนั้นได้พูดอะไรแก่เจ้าหญิงสะพ้าก็ตอบว่าท่านแสดงธรรมแก่ดิฉันเจ้าค้าแล้วก็นะครับหญิงสะพ้าก็ถามว่าก็ท่านได้พูดอะไรกับคุณแม่เจ้าค้า แม่ผม well, er ัตอบว่าแม้แกเราท่านก็แสดงธรรมสติทั้งสองนั้นต่างแท่งเท่าดิจเตรมุตนาว่าชนะยเท่าทายพระคุณเจ้าทายีจึงได้แสดงธรรมในที่ใกล้ของมาตุกขามเล่าธรรมนาพระธรรมกัทถ์ควรแสดงธรรมด้วยเสียงชัดเจนเปิดเผยไม่ใช่หนือคเพราะแพร่งเท่าดิจเตรน่าธรรมไม่ได้อย่างไงครับเป็นพระธรรมกัทถ์มันเป็นาการที่ทัาคล้อกับความระแวงสงสัยใช่ไหม นีนะ่มีอะไรกันแน่นะทำไมอย่างนี้นะครับพระดวงก็เรื่อง้าไปถึงพระเจ้านะครับพระดวงบนชุมสงส่งสอบฐานส่งติดเตียนแล้วก็บัญญัติกคาวันนี้ขึ้นมาภาพบัญญัติครั้งแรกมีแค่นี้นะครับอันหนึ่งที่สุดใดแสดงคำแกมาตุคามเป็นนะักปางตีขีคำ ไ, ไ, นะไม่ได้นะครั้งแรกขีคงไม่ได้เลยนะครับสมัยต่อมาก็มีเรื่องของบาสิกานะ่าเกิดขึ้นนะ คูอบางสิการทั้งหลายยพบเห็นพิสูจนแล้วนะครับก็ได้ให้ม น, นให้ท่านแสดงธรรมให้นะครับขอรักษาพระคุณเจ้าแสดงธรรมพิสูจน์หลังนั้นก็ปฏิเสธว่าดูก่อนน้องหญิงการแสดงธรรมแก่มาตุคามไม่ควรครับพวกบัณฑิตก็อ้อนวอนว่าเนี่ยถ้าแล้วพระกุณเจ้าทั้งหลายขออารักษาแสดงธรรมเพียงห้าหกคำเอาแค่นี้พอนะพวกขาเจ้าก็สามารถจะรู้ทั่วถึงธรรม แม้ด้วยถ้อยคาเพียงเท่านี้นะครับสี่สุดท้ายก็กล่านะว่าดูก่อ์น้องหญิงการแสดงธรรมเก่ามาทุกคราไม่ควรเพราะพระเจ้ามีสังขารหมดแล้วใช่ไหมครับท่านจะไม่ร่วงะมวยือนี่ไงก็ไม่ร่วงนะแล้วก็ลังเขียจมาแสดงธรรมครับเมื่อเป็นอย่างนี้ผู้หญิงเหล่านั้นก็แกล้งเท่าติดเตรียมบถนาว่าฉนัยพระคุณเจ้าทั้งหลายอันเราอาลัพนาอยู่จึงไม่แสดงธรรมเล่าครับที่สุดท้ายญิงมาสิกาพวกนั้นแกล้งเท่าติดเตรียมบทนาอยู่ จึงกลางเรื่องนั้นแด่พระมา้าเจ้าคุณพระองคมม์ก็นะครับทรงทําธรรมมีคาถาแล้วก็รับสักระพิสูจนทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราเนี่ยให้สแสดงธรรมแก่มาสุคามได้เพียงห้าหกคําะครดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็แล้วพวกเธอคงยกสุขานบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าหลันี้แล้วพกะองค์ก็อนุบรรย์ขึ้นมานะคือมีคําว่ายิ่งกว่าห้าหกคำเนี่ยเพิ่มขึ้มานะครับแต่ยังไม่มี บุรุษรู้เดียงสาเข้ามานะก็มีเรื่องของพระจักรวัีเกิดขึ้นนะครับว่าโดยสมัยนั้นพระจักรวัตรีทราบว่ า, าพะระพาเจ้าทรงนุญาตให้แสดงคำแก่มาตุกคามได้เพียงห้าหกคำแก่ก็เลยเอาบุรุษผู้ไม่รู้เดียงสานะครับเอาเด็กไม่รู้เรื่องอะไรนะไม่รู้ทอดคำที่เป็นจุภาสิทุภาสิทธิ์ยังไม่ยังไม่รู้เรียนสารแหละนะครับให้เป็นนั่งใกล้ใกล้แล้วก็แสดงคำแก่มาตุกคามเกินห้าหกคำบรรดาผู้คู่บมางน้อยสันโดษแล้วก็เพ่งจิตเป็นพภธนา และอากาศมันจ้าสงสารนะครับทุกรวมก็ทรงสอบถามทรงตีเตี้ยแล้วก็มายศขาบทนี้ขึ้นมาเรื่องราวผู้หญิงนี้นะเวลาต่อไปนะครับคือผู้หญิงในศิขาบทนี้นะเอาหญิงที่อะไรหญิงที่รู้ความรู้ยิ่งยามเหมือนกั น, นไม่ได้เอาหญิงแรกเกิดแล้วนะครับข้อก่อนเนี่ยเอาหญิงแรกเกิดใช่ไหม แต่ข้อนี้ไม่ใช่พ่อต้องมีการแสดงค เ, เนะต้องหญิงที่รู้เดียงสานะครับทนี่อ่ะตัวนี้ฟังนี่ก่อนนะบอกว่าเพราะมาตุคานตัวนี้ได้แก่หญิงมนุษย์นะครับไม่ใช่หญิงักไม่ใช่หญิงเปรไม่ใช่ลีลาชานตัวเมียเป็นผู้รูเดียงสาสามารถทราบถ้อยเขาที่เป็นสุภาสิทุกภาพสิทชั่วยอย่างสุภาพได้นะครับขณะนี้นะส่วนธรรมะนี่ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันที่นํามาดูคําที่มาในคลางขาในนะ หน้าร้อยห้าสิบเก้าครับข้อที่เจ็ดนะครับอธิบายธรรมเทศนานนสิกขาบทพึงทราบไม่ได้ใช้สักขาบทที่เจ็ดต่อไปในคําว่าเกินกว่าห้าหรือหกคําพึงทราบประมาณหคําพูดในฐานะทั้งบวงอย่างนี้คือคาถาบางหนึ่งเป็นหนึ่งคำนะครับถ้าไม่ได้เป็นคถาถาก็อ่านแต่ละบทเลยห น, นึ่งบหนึ่งคำสองสองคำว่าธรรมเทศาย่าง พึงแสดงธรรมภิกษุกราธรรมนะครับธรรมเทสาย่าไม่ใช่นะมีอะสาย่างใช่ไหมธรรมเทสาย่างนะครับเอาใครใครไล่หน้าปฏิโมข้อนี้หน่อยนะครับโยปนาภพิขูมาตุคาเม е นะอุตริโอโยโยปนาภพิขูมาตุคาเมสสะโยปนาภพิขูมาตุคาเมสสะอุตริฉับปันจาวาจานิ ธมเทเยะอเสระวยุนาปริสทวิฆหินาปาจิตยงธมเทเสยะใช่ไครับอุตติชาปจาวาจาหิธมเทยะนี่นะเป็นยนับอันนี้อันนกิมาฌาปจาวาจาหิธรรมเทเสยยะนะอันนี้เกินมา พิสุกล่มมาทำลักษณะที่กล่าวไว้แล้วในพระโสดธรรมะสิกขาหุรุษพ่อนั้นแหละนะครับก็บ า, ร, ร, ร, านะบรียถานั้นภาษาบาลีนะครับหรือในคำที่แปลถก ร, ร, ราเนี่ยก็เอานะครับหลายคําว่าอิจตระวิญนานุริษสาวิคาเหนะนะครับเว้นไว้แต่มีบุตรุูรู้เรียงสาอยู่ด้วยใช่ไหมความว่าเว้นมีบุตรที่เป็นมนุษย์เอามนุษย์ด้วยนะครับ ถ้าเอ็มมนุษย์ไม่เอานะแม้แต่เป็นมนุษแต่จํารงเป็นกายมนุษย์ได้นี่ก็ไม่เอาต้องเท่านั้นผู้รู้เดียร์ษาอยู่ด้วยนะครับถ้าพิสูจแสดงธรรมแก่มาตุคาผู้อยู่กับยักเปรตหรือนิริฉานที่จำแรงเป็นมนุษย์มาก็ไม่ขู่การอา้าบัติไม่ได้นะครับคําว่าปาจิตติยาความว่าเมื่อพิสูจนแสดงธรรมเกินหกคาแก่หญิงมนุษย์ที่รู้เดียร์ษา โดยไม่มีผู้ชายที่รู้เนื้อสา น, นะครับอยู่เป็นเพื่อนตามลักษณะที่กล่าวไว้แล้วในอา น, นิยตสิกขาบทที่สองนะครับนั่นนะครับต้องอาบัตรปาจิตตีตามจํานวนบทเป็นต้องถ้าเป็นบากระถางอะไอเกินนะคำที่มันเกินหกบาทนะครับไล่ไปแต่ละบาทแต่ละบาทที่หนึ่งเกินนะ mm hmm. ถ้ามันบอกว่าคำที่มันเกินหบทนะครับก็ไล่ไปเลย ที่เกิดมากี่บท ก, กี่บาท ก, ก็ต้องบัตามนั้ น, นครับแล้วเมื่อแสดงแก่หญิงมาตุค า, าเป็นจนํานวนมากต้องบัตรตามจำนวนมาตุคาครับตามจำนนผู้หญินะี่ยดี๋เราจะดูอน า, บานมบัตรว่ามีวิธีเมี่ยงอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรนะครับแต่คนจริงคืออยู่ผู้หญิงอันตรายใช่ไหมพระเจ้าตรามันยังไงนะครับในมหาปัญญาพานสูตรตอ่อข่าเวในม่พูดด้วยไม่เจรนาด้วย อ, อันแรกก่อน ไม่เห็นเป็นการดีใช่ไหมครับถ้าต้องเห็นล่ะท่านจะไม่ต้องเห็นนะครับไม่ควรจินตนาการด้วยท่านจะเป็ไม่ต้องพูดด้วยนะครับก็มีส ต, ติในการพูดใชมครับนี่นะมีสติในการพูดหรืเป็นยังไงเข้าใจรู้ไหมครับถ้าเป็นภาษาเอาภาษาไายธรมรมนาหรือมันแสดงคา กระหน่ำคก็ได้นะแต่เพว่ามีสติเป็นยังไงครับมีสติรครับก็ก็มีสตินะมีสติรู้รู้ตัวอยู่นะครับเรารู้ว่าคำที่แสดงาลังพูดหรือว่าสายใจอาการที่พูดตรงนี้นะ <c oughs> ไ, มไม่ไม่ในมุมไปถึงตรงทีพ่พูดนะครับนี่ต้องระวังให้ดีรักสังกษ์ทองสังกัดทานใช่ไหมโยผู้หญิงมาแต่งหน้าแต่งตาอะไรเออสารพัด น, นะครับนั่นต้องระวังเหมือนกันนะ ผมเ ไ, ไปอยู่ทีหนึ่งสมัยเก่อนนะอยากจะรู้กันนะว่าวันงานวิสาขาบูชาเนะ่ะมันเป็นยังไงเข้าใจที่สนามหลวงใช่ไหมครับมีทุกปีนะเราก็โอุย้ยตั้นแต่บุญไม่เคยไปนะครับก็เลยพานไปเนี่ยนะเมื่อก่อนเนะี่ยมาเรียนวินัยที่นี่นะครับแล้วผมก็ตอนจะหยุดเรียนไม่ไหวนะแล้วก็ไปเน <c oughs> หยุดเรียนไปกันถ้าอยากจะรู้เนี่ยผลิตภัณฑ์มีโยมที่เขาอยู่กรุงเทเพเขาช่วยนะ เป็นบ้านคุณคุณหญิงนะครับค่อเชื่อเราไปไปพักที่นั่นได้คาตาตรงนี้นี่เราขุพักที่นั่นแล้วก็ไปเที่ยวงานทีนี้มันจะมีหลายเต้นใช่ไหมลอกน้ำหลวงเลยนะครับแล้วมีเต้นข้างในอีกครับมันก็ไปเที่ยวงานทอนี้มันจะมีเต้นที่วิในนะเต้นทธรรมะวิในนีนะครับแล้วก็ไปเต้นนั้นปีน้ำผาป่ามันคุณกาศเข้ามาบรรยายนะครับและคนก็ไปฟังจะมีหลายให้เต้นมากนะครับแต่มันจะมีเต้นที่อยู่ข้างในเนี่ย เป็นเต็นของเด็กๆคณะึกาษานะเขาจะให้เด็กลงเรียนนะครับมาบรรยาธรรมเขาฝึกมาดีแล้วนะเขามาสแสดงธรรมครับเด็กก็สแสดงธรรมคล่องเลยนะแต่เป็นเด็กผู้หญิงนะครับหน้าตาเนิ้ยนะทีนี้พอก็มีเพื่อนชวนไปไปฟังเต็นนี่นะครับแต็นผู้หญิงอะไรแล้วก็ไปเข้าไปแล้วก็ฟังพอฟังฟังมามันไม่ได้ใส่ใจธรรมะท่าไหนนะครับ มันจะใส่ใจแหละคนพูดแสดงธรรมะนะเสียงบ้างหน้าตาว่าอะไรอย่างนี้นะครับเออข้าหละไว้แพ่งนี้เมียนุเพียนชนะนะโม้ไม่ไหวแลก็ได้เชือกพึ่งกลับคำเขากลับออกแตเต้นนั่งไปนะครับไม่ไหวแลนี่นะน้ำไปใส่คในน้ําแข็งใช่ไหมครับบางเหมือนกันแล้วก็โอ้อยู่นี่นะนะอันน้ำได้ออกไปทีใช่ไหมครับมันก็นั่นนะเหลืองก็ฟูนะทงนี้แต่รู้ตัวนะรู้ตัวแล้วก็แล้วก็เลยก็อยู่ มันก็รู้ว่าอยู่น่ะใจมันก็อยากจะดูเต็มที่นะแต่เราฝึกเสรดเราอะไรอางนี้เราไม่ต่างเท่าไนหนรแล้วก็ก้มคือปุ่ น, นใจเดินลงมาเลครับในขณะนั้นเลยมันจะมีบางที่บางคนก็บอกว่าเวลาไปนั่งรถทัวร์แล้วก็เขาจะมีเปิดทีวีใช่ไหมครับเขาบอกทนไม่ได้หรอกมันจะเป็นต้องรู้ถึงแม้อยู่นะว่าที่รักษายวินัี่ยต้องอยู่ในวัดทำได้ดใช่ไหมแต่พอไปเจอสถานการณ์นไม่ได้ นะครับบอกโอ้อารมณ์มันยุ่งยุนะครับแต่ผมก็มีปัญหาอะไรนะบางตัวบางคันน่ะเข้าติดทีวีตั้งสี่จอใช่ไหมครับอันนวยความสะดวกกับผู้โดยสารเตนที่นะคุณไปหลบมุมไหนก็ไม่ได้นะครับมีทั้งนั้นเลยแต่ว่าแค่คุณไม่แงหน้าขึ้นมามองเนี่ยมันก็เลี่ยงได้แล้วนะครับใช่นหมก็จะไปแงหน้าคือไปมองสิใช่ไหมครับพอสายตาอย่างนี้นล้นไม่ใช่ท่อลง ทอดขึ้นนะมันจะโดนข้อนั้นด้วยนะครับมองเกินเข้อแอกใช่ไหมมองขึ้นไปข้างบนนะครับอันนั้นเจือจับพี่มันเจอจับพี่มันบูบูเพราะว่ถูกใจเลยมันมันจะมีทางหูมันที่ยงไม่ได้นะเสียงมันดังนะครับเนี่ยถ้าใครแต่ว่าไม่เป็นอาบัตทางหูมันเข้ามาเองนะถึงเราตั้งใจก็ไม่เป็นอาบัตินะครับที่หูนะแต่ก็แงหน้ามองเขาไม่ได้เลย โดอคาดว่าจะไปไทยสาลนะครับยังว่าจะแพงอะไรมากเลยนะผมเจอหลายทีนะเขาจะคอยแอบมองผมอยู่เรนะ่อะถ้ารู้เหมือนก็ว่ารู้ว่าเราจะดูหรือเปล่าเราจะดูหรือเปล่าผมก็ไม่ดูนะครับคนจะมองหรือไม่มองผมก็ไม่ดูอยู่แนละ้ว <c oughs> แล้วก็ไม่กลัวนะผมก็แปลกใจว่าทำไมคนบางคนพูดว่าพอไปยกน้องทัวร์เข อ, อกไม่ได้เขาจำเป็นต้องดูนะครับผมไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะรับ <c oughs> ผมก็ไม่ดูนะทีมีอืมคครับ ถ้าเราเช่อวิทย์คือยังเงาีเขา้าดูเห็นถ้ามาพูดพูดหรือือในการดูเนี่ยดูถ้าดูอย่างแบบดูดูอย่างวิก็เป็นประโยชน์ถ้าดูไม่สะดวกถเป็นโทษถ้าใจเราพูดพิสูจไม่ถูก ความจินมันดูไม่ได้อะไรเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะมีสุทธทัศนาการดูที่เป็นค่าสื่อพรมจันทร์ใช่ไครับเป็นการเล่นนะหรือว่าการแสดงที่เป็นค่าสื่พรมจันทร์ดูไม่ได้บอกว่จะดูเพื่อศึกษาเขาชอบอ่านอย่างนี้นะครับเรารู้เพื่อศึกษาศึกษากิเลสของตัวละครที่มาสแสดงออกมาไงโล่าโทสามโมหะอะไรสารพัดนะครับเ oh <no. S 1> นะีนะ่ยเอาไปมาผมที่ว่าต่อไปเนี่ยมันถ้าอ่านอย่างนี้นะก็ดูหนังโป๊ได้เนี่ย คือเนี่าแบบศึกษานะศึกษากีเลสอนที่มันกลองเกิดมาครเล่าล้อนะครับมันก็ไปมีอะไรกันเนี่ยแล้วก็จะอ้างมาเลือยใช่ไหมแต่เงี้ยไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เคาะอ้างนะมันไม่ได้มันนั่งหนาทงท่ามมาแล้วก็คือดูไม่ได้นะครับก็ใครดูนิดนึงทาให้คิดนะ ค, คิดว่าคนนั้นก็ไม่ปรลุอะไรประจัญใดถ้าไม่คิดเลยนะกินไปแนละ้วคครครับรับบซึ่งจะเป็นปรเรื่องหน่อยก็แล้ว ความรู้เพิ่มจีต้องไปมันไปกันเรื่องเพื่อความบันเทิงที่มากกว่าใช่ไหมครับอย่าว่าแต่นักแะครเลยแม้สารคดีนี่แหละบางทีก็ยังจะดูเพื่อความบันเทิงี่มันคนอย่างๆแบบแบบบ้านอย่างเนี้นะคนอย่างๆไม่ควรได้เจอกับอารมณ์เหล่านั้นนะครับไฟเต็มที่เลยนะความรูถึงแม้เป็นอาบัติก็จริงครัแต่จงตใจมันจะมีใช่ไหมนุ่นคนคนอะไรเนี่ยดูอ้วยที่มันจะพลอยดูได้นะว่ามันโอนยา ดูแล้วจิตมันต้องเริ่มวิพากวิจารณ์ครับพอวิพากษ์ยิารณ์มัไปแล้วนะนี่ครับขู่ยากเก็บหลายครั้งงานะเก็บเมื่อก่อนสารคดีนะไม่เป็นอาบบัต่จริงจะไม่ควรสารคดีนั่นหมดเกินไปนะครับดูสังโลกตัดอันไลน์สารพันนะเขาก็ยังเหลือไว้ที่มันสมควรนะครับที่คนบ้นคนก็เหลือไว้มากที่บางอย่างนะแล้วก็หมอเขียนเกี่ยวกับสุภาพที่มันไม่มีโทออะไรมาก แต่ที่มันไม่มีประโยชน์เลยพวกสักพวกอะไรนี่ก็ออกหอดนะหนาพอกนี้ก็ออกหมดนะครับอะไรนะครับออกแล้วนะอ้านี่แหละดีแะฉะนั้นพี่ก็พูดถึงที่นึงก็เลยในของหมอเขียวใช่ไหมแล้วก็อะไรอันนี้จะา้อมีอะไรใหูเลยอ๋อดีนะดีนะดนาพกไปอ๋อะไรขอรูปภาพ่ เครื่องใช่ไหมใช่เครื่องนะครับอืมอืมไอคันอืนแต่แบบว่าไปดูแบบว่าไอสถานที่เดียร์มันก็ไม่มีเรื่องอะไรหรอกก็มีภาพมาจากไปอนโอ้โทำไม่งี้นะโอ้โหอยู่นู่นนี่น่น้าวขึ้นจานใครว่าใครไ้ดูเนี่ยไม่คิดี่ผม คิดอย่างไวายวาไว้ยเราไม่ใช่นาเกตบางคนเราไม่ได้คุ้นหนูดครับก็ดูแจตัวเองกันลวกันนะรแบบนั้นนะต่อไปนะให้จบพ่อนี้กนนะเร็วให้หน่อยไม่เลยไครับเหตุเกิดแล้วประเภทอานบทสคขาบทนี้คุณพรภาคเจ้าทรงฟารุพระอุทายีเทระในเมืองสามวัฏฏบรรจับไว้แล้วต้องเห็นคือการแสดงธรรมแกมาตุคา คำ ว, ว่าอิตฉระยุญนานะครับเว้นไว้แต่มีหลบรู้เรียสารนะครับอันนี้เป็นอนุบัญญัติอสิกขาบท น, นี้อนะสิกขาบท น, นี้เป็นสาธารณะบัญญัติพิุณีก็มีเหมือนกันนะแต่พิชนีเขาจะเปลี่ยนนะครับสแสดงคำแก่ผู้หญิงเปลี่ยนเป็นสแสดงคำแก่ผู้ชายนะครับนะอันนั้นติกาไม่เกี่ยวกับการใช้ใครสแสดงก็โดนเองนะครับติกาไปรตีเป็นผู้หญิงนะครับเข้าใจสงสายสําคัญผิดนะ ต้องอธรมนั้นนะครับไม่ใช่มาตุกคามนะครับแต่แกจะแต่งตัวให้ผู้หญิงแต่ไม่ใช่ผู้หญิงนะไปเ ข, ข้าใจว่าเป็นมาตุกคามว่ามีความสงสัยไปสแสดงก็ยังต้องอารรมทุกนท ก, ก, นกนะครับเมื่อแสดงคำแกพวกนันย์นี่นะครับนานย์เปรนับันฑ์ดอกนแะละสนราฉานตัวเอสตรีฉานนแล้วก็ตัวเมียนะที่จํำรายการมรุนอันนี้ก็ยังต้องอธรรทุกกนครับแท่ผู้หญิงนี่ไม่ได้อะไรนะ สถะว่าในภาษานี้ก็ไม่ได้นะนีมีพวกหน้าคุกคุดใช่ไหมที่แปลงการมนุษได้เรอั น, นอ น, น, อ น, นบาบัตรนะครับพิสูุไม่ต้องอ่านบัตรเมื่อแสดงของคำพอดีเลยแล้วไม่เกินหกบัตรนะได้นะครับไปเลยอันบัตรที่ือก็ในภาษาไทยภาษาอื่นไปนะครับ <c oughs> หรือต่ำกว่านะครับมีบุรุษซึ่งมีลักษณะร่างกายอยู่ด้วยบุรุษกุู้เดียนสา ตนเองลุกขึ้นแล้วนั่งลงครับแล้วจึงสแสดงอีกนะครับ น, นะอันนี้เราเปลี่ยนอิริยาบถ น, นะครับเราสแสดงแล้วก็ผมบัาทใช่ไหมอ่าลุกขึ้นนะครับนั่งลงแสดงต่อครับนะพอบันอาลุกขึ้นนั่งลงแสดงต่อนะครับอย่างเงี้ยนะได้นะครับเรารู้ น, นั่งนั่นะนงอย่างนี้ <c oughs> อองงงเลยยองมองแล้วเป็นอะไรๆๆ เนแน่ต้องการทําไม่จะรื่จริงลักษณะนี้นะครับหรือว่าเราไม่ลุกแล้วให้ยอมลุกแทนนะมาตุกครางลุกขึ้นแล้วนั่งลงอีกนะครับอายยอุลุกุกสล้นขึ้นเนี้ยเหนื่อยนครับโอ้ไยอมยิ่งลงไหนนะครับการขอเนี่ยเราให้ได้เกดเื่อไปบุญบามต้องขอขอพอจริงครับ ถ้าเป็นผู้หญิงจะอยู่คนเดียวนะในห้องไม่ไดผู้ชายอยู่นะั่งกล้องไม่ได้ครับทาะูภ<ำ>ไไาษาไทยไดนะ้ให้ใช้ความภาษาไทยไปหรือว่ามีเพื่อนพิสูจอะไรไปด้วยนะ่ก็ได้แสดงคำแก่มาตุกข์อื่นนะครับหมายา็ว่าเราแสดงคำแก่ผู้หญิงหลายคนนะมีผู้หญิงอานแน่สนกรณีคนนี้แน่คนนี้เข้ามาใช่ไหมเราแสดงคำไปแล้วหกคำคนอื่นมานนครับ ผู้หญิงก็มาใหม่เรยมาใหม่เรืยใช่ไหมแล้วก็ต้านใจว่าแสดงคำว่าผู้หญิงที่มาทำไมมาทำไมครับแล้วแต่ละคนก็จะไม่เกิดคําหรือมาพร้อมกันทีเดียวเลยแล้วก็บอกว่าถ้าสิบคนในโยมอัตมาจะแสดงภาษาบาลีให้โยมคนละคานะครับถือว่าสักสามคนเนี่ยก็คงจะพอและยัาถางสัทีนะครับอันนี้น่าจะได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเราไม่บอกเขาง่ายแต่เรา แน่ถ้อกระถาถาหห้หมให้บอกนะครับต้นะต้องต้องให้บอกถ้องให้บอกแต่ขอด้วยนีการถ้าทำใช้ไม่ได้ก็เปเอพวกีเคยทำใจครับอันนี้เข้าว่าพิสูจน์ทำความฝ่ายใจแต่แรกว่าเราจะกล่าวคาถาเก่งคนละคาถาดังนี้ครับแล้วบอกให้รู้ก่อนจึงสแสดงสมควรอยู่นะครับ นี่ในการอาจะขายนี่ไม่คิดว่าเหมือนเขาถาใจไม่ถก้านปินไม่ได้การถึงเลยท่ไม่ได้การถึงเลยนะและก็บอกนะครับความเข้าใจส่วนตัวแล้วเหมือนเข้าใจว่าได้เพราะว่าเราก็ําใจไปแล้วใช่ไหม ว่าแต่ละคนก็แสดงธํามแกไม่เกยคนละคนละหกบาทใช่ไหมครับแต่ถ้าได้บอกเหมือนว่ามันชัดเจนเนี่ยเราก็รู้เขาก็รู้อะไรอย่างนี้ครับมันจะมีตอนแรกไงที่ท่านจะพูดถึงก่อนว่า น, นะเออที่มีเอ า, เอามาตุกาตคามตั้งร้อยคนนะครับนี่นะพีิสูจน์หน้าบนอัสนะเดียวแสดงธําเแกมาตุคามตั้งร้อยคนอย่างนี้นี่ก็คือแสดงแกยิงคนหนึ่งแล้ว แสดงแม่แกหญิงอื่นๆผู้มาแล้วมาแล้วอีอันนี้มันก็ม่ได้พูดอะไรอเลยนะเหต่ว่าพอคนมาใหม่แล้วก็แสดงแต่คนมาใหม่ไปก็ไม่เป็นนะครับครับใช่ใช่แต่ว่าในนมหาปจรีนี่ก็มีพูดว่ามีการพูดด้วยครับนี่นะครับต่อไปอันนี้ต่อไปมากลับมาตรงนี้นะ และถุกถามนะครับถูกถามอย่างนี้ว่านะท่านผู้เจริญทีข่านิการมีเนื้อความว่าอย่างไรโอถามกั็นนิการะไรนะอย่างนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับแล้วสแสดงทีฆ่านิการทั้งหมดนะครับถ้าสา ม, มารถน่ยกมาเลยนะครับถ้าถามอ่าท่านอพระไตปีดอกมีเนื้อความว่าอย่างไร <laughs> แสดงอะไรนะครับทั้งปีดอกเลยนะไม่ต้องกลัวนะครอันนี้ได้หมดเลย นะมาตุคาฟังทำที่พิสูจนแสดงแก่ผู้อื่นี่ก็มันเป็นไรเราแสดงแก่ผ้าแก่เนยนายผู้หญิงก็มาฟังด้วยก็มีปัญหานะครับและพิสูจบ้าเป็นต้นก็ไม่ต้องอาบัตทองคอานบทสิคราบบนนี้มีองค์ห้าคอหนึ่งแสดงทำมีลักษณะที่กล่าวแล้วนะครับคือผ้าบาลีนภาษาบาลีนะครับก็าตาีนตรงกรถาเนี่ยเกินหกคำสองแสดงทำแก่มาตุคาพูดลักษณะดังกล่าวมาแล้ ก็คือรู้เนืนะ้อสารนะมันรู้เนืสนะ้สารครับสามไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอิริยาบทเนี่ยถ้าจะเรียกเสี้ยคือให้เปลี่ยนอิริยาบถครบสี่ไม่มีผู้ชายรู้เนื้อสารอยู่ด้วยถ้าไม่ใช่เป็นการตอบปัญหาเพราะเราตอบปัญหาไม่เป็นไรใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้ตอบปัญหานะเมื่อก็องห้าก็ต้องอามบันในสิกขาบท น, นี้สมุติฐานเป็นต้นเหมือนกับในปทัทโสธรรมสิกขาบทตอนนี้มันจะมีแค่วาจานะั่นไม่ไม่มีกาย ก็เป็การแสดงธรรมอยเป็นวาจาและวาจากับจิตแม้เราไม่รู้จิตก็ต้องใช่ไหมถ้าเป็นผู้หญิงจะรัเข้าใจถือว่าเป็นผู้ชายอันนี้ไม่รู้ไม่ตั้งใจก็ต้องนะครับเป็นกิริยานะครับกิริยาก็มีอักกิริยาก็มีในตรงนี้นะเป็อยังไงเนี่ยต่างกันแต่ในสิทธาบทนี้เป็นอักกิริยาและกิริยาเท่านั้นต้องข้อทําได้ไม่ทําต้องข้อทําอะไรครับ ในที่นี้เอาพาอทาก่อนพอทําอะไรครับทำ่อนทำที่เกินการทำการแสดงคำเนี่ยเกินหกคำอันนี้ต้องไม่ทำนะต้องพ่อไม่ทำไม่ทาอะไรครับไม่ทำไม่ไม่ทําการบอกหรือไม่ใช่ไม่ทำการปิ่อินยาหมดไม่ทาการปิดอินยะหมดไม่จะได้กันอันนั้นก็ได้ครับแต่มีแบบนมื้าให้ตง อ, อันนี้ใช่ไหมเขียนไม่ให้นะเขียนไหมไอ้ต้องเขียนหรือกอันนั้ น, น, นถูกต้องถูกต้องนะครับไอต้ตอบถูกนะไม่กระทำ่ือว่าพ่อไม่เถือกรุกผลู้งเนียสามาเป็นเพื่อนนะครับอย่างนี้นะมันจะทํนะครับแสดงว่าเป็นทางกิริยานะกิริยาใช่ไหมันก็เป็นโนสัญญาวิโมกข์อจิตตการประัติวัชชะนะครับไม่ใช่เป็นโลกวัชชะนะ ว่าจีกรรมมีจิตสามธนาสามดังนี้แหล่ะรครับจบการที่บาธรรมเทศนาสิกขาบทข้อนั้นก็จบนะครับเดเกิดจะก็ถามว่าคร ะ, ะ, ะพุทเจ้าเนื้อเอออจาติรีนี่มีเนื้อความไม่ใช่ไรที่บอกอดอได้เออได้ถ้าถือว่าถานะือว่าข้อถามนครับถือว่าข้อถามนะครั ก็บอกแค่แค่เห็นผมนยังแสดงไม่ได้ไวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับในท้าที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงาในธรรมวินัยของพระสมณพุทธเจ้าจงเ ก, ก, กิดท่านหลายด้วยกันทุกท่านเถิดขอบคุณ